ฟังตามกันพูดกับทุกคนทุกชีวิตพระพุทธเจ้าสอนเราด้วยมีคนอื่นสอนเราด้วยมีตัวเราสอนเราด้วยโดยเฉพาะตัวเรานี่สอนได้โอกาส มีผิดมีถูกทุกโอกาสทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราอสอนเรียนให้มากนี่จริงจากลู้จากคนอื่นสอนก็สิ่งที่คนอื่นสอนพระพุทธเจ้าสอนก็มีอยู่ในเรา เราก็เห็นสิ่งที่ผู้เจ้าสอนมีอยู่ในเราที่มันเกิดขึ้นมาจากกายจากใจเรานี่แล้วเราก็มีปฏิบัติสิ่งที่ผิดให้มันเป็นสิ่งที่ถูกได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมในเวลานี้พวกเราก็อยู่ในสภาพปฏิบัติหรือว่าภาวนา กันเรื่องนี้กันทุกทวิตน้าผู้รดปฏิบัติภาวนาก็จะรู้เรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ในเราจะได้รู้จักแช่สิ่งที่ผิด ให้มันเป็นสิ่งที่ถูกได้ทุกครัง้งทุกคราวให้เราได้เคยคินกับสิ่งที่มันผิดถูกในตัวเรานี่จะไม่จำนานประสบกามณ์ใบทเรียนมากมายโดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่ตรงๆเลยทีเดียวต่อหน้าต่อตาหันหน้าใส่กัน จึงเหมือนกับคนสองคนหันหน้าใส่กันความหลงคกมไม่หลงเห็นกันหมดก็ไม่หลงกับความหลงก็หันหน้าใส่กันส้อมบัดดูความหามดดามลงมันเกิดขึ้นในกายเรากายเราก็มีอยู่จริงความหลงเกิดขึ้นในใจใจก็มีอยู่จริงสติเป็นตัวที่เห็น สิ่งที่เกิดขึ้นกับความกังจรยสติเป็นผู้อยู่แล้วหวังกับสติเป็นผู้อยู่ประตูควมหลงจะเข้ามาทางประตูสิ่งที่มันผิดเข้ามาสิ่งที่มันถูกอยู่ก่อนแล้วถ้ามีสติกรรมฐานเป็นเช่นนั้นนี่บอกความเพียนดังที่เราได้สาธยายพะสูตร์ มีความเพียรมีสติมีฉันทามีวิญญามีจิตตบวิมัมมงสาเป็นเจ้าถิ่นเจ้าของดูแลอยู่แล้วอกุศลเถียงไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นถ้ามีสติแต่ถ้าอากุศลเกิดขึ้นถ้ามีสติก็ลดได้ทุกขัง มีความรู้จักตัวก็ละได้ทุกครัง้งแลมีสติก็ก่อสร้างกุศลอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่งอกงามก็งอกงามยิ่งขึ้นมันเป็นธรรมดาถ้ามีอยู่แล้วก็งอกงามขึ้นฉันฝเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมา เป็นมากเป็นผลขึ้นมาเหมือนต้นก็ต้นไม้ที่ปลูกลงไปในดินมันไม่อยู่เฉยเฉยมันเจริญขึ้นมาก็เป็นหมากเป็นผลขึ้นมาได้สติไปนในกายอยู่เป็นประจำนี่คือความต้องอยู่ความไม่เลื่อนเือนคงมั่งงามของมไพ่ปูนความเจริ ญ, ค ว, รญความเต็มรอบ เกิดขึ้นตามธรรมชาติของสติเราก็ทําได้วิธีที่จะสทำให้สติเกิดขึ้นก็มีอยู่แล้วเรียกว่าวิชากรรมาฐานมีสติไปในกายอยู่เป็นประจำไงทุกคนก็มีกายอยู่นี่ให้สติเป็นที่ตั้งไปในกายนี่ก่อนไอ้นี่แต่ก่อนไม่ใช่สติเป็นที่ตั้งอาจจะเป็นความหลงเป็นที่ตั้ง จิตใจก็จะเป็นความหลงไปติตั้งเจ้าถินคือความหลงแต่ถ้ามันเคยจินต่อความหลงทั้งกายทั้งใจก็อาจจะชวนกระเสศสักหน่อยผู้ที่มีความหลงเกิดขึ้นกายที่ใจมาก่อนเหมือนกับจิตใจของเรานี่เหมือนกับน้าน้าที่มีตะกอนมาก สะสมตะกรนไว้มากแต่ตะกรนก็ลงประยุกตก้นถังก้นภาชนะตักไว้นานก็อยู่ไปไปลงประยุกตก้นถ้ามีอะไรมารทบก็พุ่งขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรมารทบก็ไม่พุ่งขึ้นมาแต่ว่า อย่างใช่ไม่ได้การที่มีสติเนี่ยมันเป็นการกรองน้าให้ผูดนั้นออกไปไม่ใช่เราจะถนอมไว้ยิ่งมันมีความหลงเกิดขึ้นเดีลูกแร้วกว่ากรองออกไปแล้วอะไรเกิดขึ้นมาจากกายจากใจที่ไม่ใช่สติมีสติเข้าไปลู้ทีใดก็กรองไปแล้วกรองไปแล้วกรองหลายข้างหลายขาว หลงที่ใดเป็นรูเท่นั้นหลงที่ไดเป็นรูเท่นั้นมื่ น, น mm hmm. ก็กรองตะกรอนออกตะกอกลายเป็นสินขึ้นมาเปลี่ยนหลงเป็นรูเนี่เป็นการปฏิบัติมีการให้สินเกิดขึ้นให้สินตั้งอยู่เมื่อสินเกิดขึ้นก็มีสมาิ ปัญญาตามลำดับถึงกกรําจัดตะกอนหยาบๆจนความโกรธความโลภความหลงได้สมาธิกมจัดตะกอนที่ละเอียดลงไปนิวรณธรรมทั้งหลายความคิดปุ่งสานแต่มีสติมีสมาธิมันจะไม่พุง่ง กรรมเลสงสัยความภัยบาททิฏิมานะกรมมาลาคาสมาธิกรจัดได้ตามลาดับของกำลังของสินของสมาธิที่มันเกิดขึ้นมานานปั ญ, ญาก็เหมือนกับกําจัดที่เหลิตอย่างละเอียดคือสังโยชนิด นิสัยอนุสัยที่มันนอนเนืองอยู่ก้ น, นสมาธินี่อมจัดได้ละเอียดลงไปเมื่อสินสมาธิเมื่อสินสมาธิปัญญาเขาไปอยู่ในหลักปฏิบัติที่มีสติแล้วก็งอกงามขึ้นมาเอง สิ่งก็มักษาตัวเราสมาธิก็รักษาปัญญาการักษาสิ่ก็มีในสมุขติันติสีเลภูกระสัมปธาสีเลนี้พุติันติไปในตัวเชิ ถ้าเป็นน้ำก็ดื่มได้เสียชีวิตก็บริสุทธิ์ปปรยจดจากเครื่องส้มหหมไม่โลกโขดหลงเป็นต้นนี่วิธีที่เราปฏิบัติอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ทำลายมันทำหน้าที่ถ้ามีสติปนันกาอยู่ไม่ใช่ว่าประเมินอะไรนอกจา่อะไรที่ไม่ใช่สติเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนมันเองที่แรกก็หัดอาศัยกรรมฐานที่ต้อง ถ้าหาดนก็ต้องอาศัยที่ตั้งมันเปลี่ยนเป็นตัวมันเองมาเพิ่มกันเป็นอัตโนมัติทุกก็ไม่มีทุกทันทีแล้วก็ช้ำนาญต่ไม่มีถ้ามีทุกมันก็ถ้าไม่ทุกมันก็ไม่มีทุกจะได้ประโยชน์จากความทุกจึงเป็นความไม่ทุกแทนเป็นคู่กันอย่างนี้ก็เรียกคนรัฐธนะัต์เียบเทียบ คนละชนคนละแบบเ่อเป็นเช่นนี้มันก็ละความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์จิตที่จะบริสุทธิ์เพราะมันความปลุกปกออกไปมันจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์การปฏิบัติธรรมมันเป็นกอเป็นกรรมขึ้นมานะไม่ใช่ไม่มีอะไร ขย้อนลูก็ความหลงก็หมดไปหมดไปแต่ม่าหลงทเทเรกับลู่เท่านั้นตัวขยันลู่เอาไว้ขยันลู่เอาไว้ตามวิชากับมาธร น, นี่กายแล้วก็มีอยู่นี่ลู่ที่กายกายก็มีอยู่จริงลู่ที่ใจก็มีอยู่จริงแต่ใจที่มันคิดหลงอะไรต่างๆกางลู่มัน บางทีเอาความคิดมาเป็นปัญหามาไม่ใช่บางทีเราทําไม่เปล่นก็ถือว่าความคิดเป็นเรื่องเป็นปัญหาเป็นความยุ่งความยากต่อสาความคิดเฉยๆก็ทาให้เรามีอาการเกิดขึ้นต่อไปอเป็นดับเบิลทวงความคิดไม่ทำไม่ทำไมเกิดจากความคิดสั่งทั้งที่ไม่มีอะไรในความคิด มันเป็นเลื่อนๆลอยๆแต่ถ้าเราไปลู้จากมันจริงก็ยิ่งใหญ่นอนไม่หลับปวดหัวรุ่งจานเกิดความเที่ยเกิดกดตันอะไรต่างๆมากมายถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกมันมีคุณมีทู แล้วเกี่ยวข้องถูกก็เป็นคุณต่อจะพูดถึงการบรรลุธรรมมันตื่นมากทุ่สุก็ตื่นตัวคิดที่ไม่ตั้งใจตื่นกว่าอย่างอื่นแต่บางคนไม่ตื่นเตรานี้หลับก็ได้หลงไปก็ได้คิดอะไรก็เป็นไปตามมันถือว่ายากซะมันไม่ยากมันก็ไล่ยุงไลยุงยังยากกว่า ต้องมีมือต้องมีเครื่องไล่เครื่องป้องกันแต่ความคิดไม่ต้องมีอะไรมีสติที่มันชำนาญอยู่ก่อนแล้วง่ายๆถ้าถึงโอกาสถึงเข้ามันจะ้ะเช่นผมบังภูเขาก็ว่าได้การบรรลุธรรมจริงมันบรรลุธรรมตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะอย่ามาเป็นปัญหา ไม่ถือว่าเป็นกีฬาตรงนี้บ้างเรื่องของกายก็ตามเหตุตามปัจจัยมี่จะอ่อนฝนก็หนาวมีเสียงแดด ก, ก็ร้อนเดินมากนั่งมา ก, ก็เหนื่อยเมื่อยล้าต้องวันทอกตลอดเวลานคู่กันเดินเดินต้องนอน เป็นคู่ของสิ่งที่เกี่ยวกับกายมีอยู่หนาวก็ห่มผ้าร้อนก็อาบน้ําหิวก็กินข้าวเดินเดินก็นั่งนั่งนอนก็เดินเดินเดินก็นั่งนั่งนั่งก็นอนเปนการคู่อริบทของสิ่งที่มันบันเทาแก้ไมาได้จวนความคิด ที่เป็นทุกข์เกิดจกากความคิดแย่ได้เด็ดขาดมันใช่เรื่องเหมือนเท่าปล่อยทิ้งมาได้บันคิดจิตใจจริงกับมันที่ไม่ได้ตั้งใจนะให้รู้สึกตัวทันทีถือว่าบางเพนดังกิจให้มันจริงตรงนี้เราจริงตรงนี้อย่าปล่อยทิ้งเลอะเลเดือนๆือน เอามันคิดขึ้นมาที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเรามีสติอยู่ก่อนแล้วเกี่ยวข้องก่อนทันทีเลยทีเดียวให้ความคิดเป็นความสุขความทุกข์มันเคยแบบนั่นความคิดก็กลายเป็นเลยหลายอย่างเกิดจะดดือมหาได้มันสนุกดีเพราะเห็นตรงนี้หรอมันใหญ่ก็อย่าตรงนี้นะ นชนะก็นะตนี้ชนะเองคือชนะจุดนี้ตีว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าสําเร็จอยู่ที่จิตสำเร็จในเรื่องไหนถ้าให้มันสําเร็จได้หลงเป็นหลงในความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์มันสําเร็จแบบนั้นมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดใหญ่ไม่เป็นธรรม ความคิดที่มันาพาเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นมันเคยใหญ่มาในชีวิตของเราเราจะมีสติถ้าถ้ายังไม่เปลี่ยนได้ก็กลับมาหากรรมาฐานถ้ายังไม่เก่งทีตั้งเอาไว้นี่ตามวิชากรรมาฐานกลับมาวันจะใหญ่ตัวกลับมา รู้สึกตัวเนี่ยตัวกลับมารู้สึกตัวเนี่ยกลับมาทีหนึ่งมันมีมันเสริมกับลองมันเจริญขึ้นถ้าไม่กลับมามันไม่เจริญมันไม่คงไม่กล้าอะรที่เกิดขึ้นกลับมากลับมามง่วงนอนกลับมากลับมา ตัวกลับมาเนี่ยมันทำให้คมเมื่อกับฝนมีดฝนมีดกลับไปกลับมาทํำไ้มีดคมได้เมื่อมีดคมแล้วก็ตัดแล้วขาดได้ถ้าไม่กลับมามีดก็ไม่คมสักทีก็ตัดแล้วยากมันก็เหนียวอยู่เช่ น, นั้น ถ้ามันคมแล้วง่ายๆการกลับมาลู้จากตัวมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดที่ตรง น, นี้เป็นสิ่งที่เสริมให้ศีลหรือว่า สิ่งที่ขันทีเข้าไปสมาธิขันปัญญาที่ขันมันทีเข้าง่ายขึ้นชำนานมากขึ้นศิ่งอ็นยิ่งสมาธิเอันยิ่งปัญญายิ่งคือมันมันฝึกอย่างนี้จึงเป็นความยิ่งของศิ่งของสมาธิของปัญญา จึงเป็นเรื่องกำจัดกิเลสได้วิชากรรมฐานนี่เป็นที่เกิดการเจริญจิตนี่เป็นที่เกิดของไตรสิกขาจึงเกิดฉิมสมาธิปัญญาขึ้นมาได้จริงจริงโดยไม่ต้องไปสมาทานไม่ใช่ศิมสมาทานศิมสิกขาศิกรรมกำจัดกิเลส มีฉันแล้วจึงลูยจักบางโอกาสบางครั้งนะหรือว่าเป็นพระเราจึงลู้จักเคยสอนพระบางโลกบวชมาแต่พรรษาเ้าก็บอกว่าผมเพิ่งเป็นพระปีนี้แต่ก่อนไม่เป็นพระเลยเหมือนหลวงพ่อทียานถามเป็นพระได้ไหม เปลนด้คือมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลนพลเปลนเป็นพระมั่มีสินิกลาสินกับจิตเลเมื่อกำจัดจิตเล็ ด, จจลดเครื่องสมอง ห, หมดไปจิตใ จ, ใจมันก็บริสุทธิ์พระคือผู้บรชเสดจคือจิตที่บริสุทธิ์ไม่เปื้อ น, เ ป, นเป็นพรหมจรรย์บริสุทธิ์ด้หลัก ไม่เปิดื้อนจริงๆเคยพูดอยู่เสมอว่าสติไม่ใช่สติแล้วไม่เป็นการเห็นเป็ดวงตาภายในดวงตาเห็นทำคือเห็นเห็นแล้วไม่เป็ น, นมันบริสุทธิ์ตรงนี้มากที่สุดการใช้ชีวิตของนักบวชที่เรียกว่าเตัวเองเป็นพระได้ไม่ติเตียนตัวเองไว้ได้ ติเตือนเราโดยฉินพี่มีฉินไม่ได้ตรงไหนทุฉินตรงไหนติเตือนตัวเองไม่ได้ได้เห็นไม่เป็นนี่ยเป็นพรมจันต์ป่าพืชพรมจันต์ญาตจงนุ่งผงผ้าชีใดก็ป่าพืชพรมจันย์เหมือนกันถ้าปฏิบัติแบบนี้เห็นไม่เป็นเนี่ยมันบริสุทธิ์เป็นการรักษาฉินเราฉินบริสุทธิ์แล้ว จะเป็นลรไม่บริสุทธิ์จึงเดียวว่าให้เป็นผู้ดูเนี่ยเข้าถึงภาวะที่ดูเนี่ยนี่คือศิลเละเนี่ยอย่าเป็นเนี่ยให้เห็นอย่าเป็นเนี่ยไม่ใช่เป็นคำพูดเล่นๆผู้ใดสัมผัสกับสภาวะธรรมเช่ด น, นี้จะมองตน หรือว่าเป็นการชนะตนได้เป็นสิ่งที่บรเสริฐระดับหนึ่งเราก็ทำอยู่กับมืออยู่นี่สัมผัสอยู่นี่สัมผัสอยู่ทุกเวลาอยู่นี่แล้วก็มีอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้เห็นอยู่นี่ไม่มีอะไรเกิดแล้วก็สร้างขึ้นมาเห็นมันอยู่นี่เห็นกายอยู่เป็นประจําอยู่นี่ เห็นเวทนาเป็นประจําอยู่ดิเห็นจิตที่มันคิดอยู่เป็นประจําอยู่นดิเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นความเสื่อยไปความตั้งอยู่ที่อะไยต่างๆเห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยวเห็นอยู่เห็นมากเข้ามาเข้าก็ชํานี้ชานานเดยไม่เป็นอะไรกับอะไไปเลยทีเดียวแล้วราะมันเห็นแล้วจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ ไม่มีตรงไหนลี้ลับเห็นหมดนะถ้ามีเจตีนะเห็นหมดมาแบบไหนจิตอย่างหยาบคามโกรธความรล้ความหลงเป็นอย่างไรจิตอย่างกลางความนิวรณธรรมเป็นอย่างไร ตัวโมงเหาหอดอนความมาเลยสงสัยความคิดปรุงฌอนกามรมาลัคาปฏิฆะมาหน้าทิฏฐิเป็อย่างไรอ๋อมันอาศัยอยู่ที่ไหนมันมาอาศัยอยู่ที่ไหนที่มีทิฏฐิมานาตนอยู่ที่ไหนเมื่อไม่มีตนที่อาศัยทําให้เป็นสุเป็นทุกข์มันจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวนี้เรามีตน จนที่อาศัยของสิ่งต่างๆถุกก็คือเร า, ท, กกเร า, เราทุกก็คือตัวเราผิดก็คือตัวเราถูกก็คือตัวเราได้เสียคือตัวเราว่าเลยเป็นที่อาศัยของนิวนธรรมทั้งหลายได้สังโย์อาศัยได้ เราจะมาฝึกเพื่อไม่ให้มีพิษมีภั ย, ภ ย, ภยที่มาเกิดเกิดกายจัก่เรานี้ผู้เห็นภัยมีแน่อนอนความแก่ความเก็บ ค, ความตายจะทำอย่างไรตวแต่ความคิดเราเกิดอยู่เรือยอยู่ รูปที่มันเป็นอยู่นี่รูปธรรมมันคือมันไปอย่างไรใช่มันอย่างไรมันฟังเสียงอะไรใครเป็นใหญ่มันในเรื่องกายเรื่องรูปนี่ใครเป็นใหญ่มันในเรื่องจิตความคิดความนึกใครเป็นใหญ่มันน้าเราปฏิบัติเพียงอาศัยมาให้เกิดความรู้สึกตัวนี่ ใช้กายใช่ใจให้เกิดความรู้สึกตัวเท่านั้นไม่ใช่ออกมาเป็นอะไรเดนที่อาศัยที่ให้เกิดความรู้สึกตัวเพื่อให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปนที่อาศัยไม่ใช่ตัวใช่ตนเดี๋ยวนี้หลาอาศัยกายอาศใจทําอะไรเราอาศัยกายให้เป็นที่ตั้งของความรักความชัง อาใส่กายใส่ใจเป็นตีตั้งความพิเรตันหาความโกรธโลภหลงอาใส่กายเป็นติตั้งกับความอิจฉาเบียดเบียนอาใส่กายใส่ใจเป็นตีตั้งข้ความสุขความทุกข์มันต้องมีความเกิดจากเจิดตายอยู่เป็นประจำในความหลงก็มีความไม่เที่ยงในความสุขความทุกข์ก็มีความไม่เที่ยง เราอาศัยความไม่เที่ยงจึงทำให้เกิดเป็นทุกข์อาศัยความไม่ใช่ตัวตนจึงทำให้เราเกิดเจ็เจบตายเราจะมาเห็นความเท็จความจริงเรื่องของถ้าจะพูดเรื่องของชีวิตของเรานีที่มันสัมผัสอยู่กับโลกนี้เราจะยุ่ลูกกับมันอย่างไรแค่ไหนเพียงไร เราจะมาเห็นการเห็นใจอยู่แค่ไหนเพียงลอยเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดกับกายเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดกับจิตใจมันก็มีความเกิดเจ็บเจ็บตายมีแต่ทุกข์เป็นทุกข์เป็นโทษพอยเจะรับทุกข์รอบโทษ มันให้สุกก็สุกมันให้ทุกข์ก็ทุกข์มาให้หัวลอกก็หัวลอกมันร้องให้ก็ให้ร้องให้กับมันบางทีเอาภายนอกมาร่วมเข้ากันเองอาศัยชิงภายนอกห้อยเขียนไว้กับชิงภายนอกถ้าหลวงพลังไปเอดปัญญาสามีชอบเส้นเงินทอง ล้วคนจังได้การเสียเอาภายนกไปกำหนดชีวิตของเราเอาภายนอกําหนดเอาตัวเราไปกําหนดถ้าได้อนี้ก็จะมีความสุขถ้าไม่ได้ก็ไม่มีความก็มีความทุกข์ถ้าเขาว่าก็มีความทุกข์ถ้าเขาว่าก็มีความสุขอย่าว่าเราอย่างงั้นอย่างนี้ป้องกัน แต่ไม่รู้จักป้องกันมันรู้จักดูแล้วตัวเองดีๆก็เลยป้องกันคนอื่นมันก็เสื้อมันดุไปฆ่าเสื้อให้ตายหมดมันเป็นไปไม่ได้เสื้อมันมีมันดุแต่ว่าเราป้องกันตัวเราเน่จะให้เสื้อมันกัดอนนี้ปลอดภัยได้ทุกโอกาสถ้าไม่ป้องกันตัวเอง จะไปป้องการเสื้อไม่ให้กัดมันเป็นไปไม่ได้เมื่อโลกรสของโลกมันมีมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสมีอารมณ์มีได้มีเสียมีอินทาสฉนเฉินมีสุขมีทุกข์รสของโลกถ้าเรามารู้จักตัวเราดีก็รสของโลกก็จืดได้จืดได้ ไม่มีค่าความไม่เป็นอะไรเนี่มีค่ายิ่งใหญ่เป็นธรมธรมชาติสู่ธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งมาตั้งให้เป็นอะไรต่อมาตั้งให้เราเป็นชุบเป็นทุกข์ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ให้ตั้ง รูกก็เป็นรูกมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการที่มันเกิดขึ้นนามก็เป็นนามรูปนามนี่รู้จักมันชัดเจนแล้วมันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ถ้าเห็นตัวเองตามความเท็จความจริงมันก็เห็นคนอื่นมันก็ไม่ปล่อยกันทิ้ง เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันไปถ้าสงสารตัวเองเป็นก็สงสารคนอื่นเป็นถ้าแจ้ตัวเองได้ก็แจ้คนอื่นเป็นพระเจ้าตือล้นเรื่องนี้มากตือรือร่นมากกับการคนอื่น ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระศาสนาประโยชน์ต่อญาติไปทางอื่นหมดเรามีชีวิตเพื่อการนี้โดยตรงชีวิตชีวิตหนึ่งเพื่อการนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระศาสนาประโยชน์ต่อญาติตามจุดฝีมือ เหี่ยาดทำอะไรมากกว่าคนที่ไม่รู้ตัวเองมีอะไรเป็นสิ่งที่หนักก็ทําอะไรไม่ได้หละหนักตัวเองก็หนักก็จึงเอืนนะ่อนมาตี ก, ก้นหนักต่างทัยังไม่ได้อะไรมันได้ในใจมันมีในใจ มีในใจมีเมียในใจมีผัวในใจมีความลักในใจมีความชั่งอยู่ในใจในจิตวิญญาณมันมีเต็มอยู่แล้วเหมือนนา้าเต็มแก้วนันมีอยู่แล้วมันจึงหนักทำอะไรไม่ได้จากคิดเราก็ด่นไม่ได้แตถ้ามันเห็นตามความเป็นจริงแล้วเน่ยปฏิบัติท ร, รเน่ย ทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นความเทศความจริงมีอยู่ทุกโอกาสเกิดกับเรานี่ก็มีทุกโอกาสความเท็จความจริงความผิดความถูกความชอบไม่ชอบมีอยู่กับเรานี่อย่างเราสาธิยาพระสูตรในอริมัชมีอยู่ในเราทุกชีวิตเลย สมมาทิติก็อยู่ในเรานี่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์เห็นวิธีทำให้ดับทุกข์ได้และวิธีดำเนินการดับทุกข์มีอยู่สิติรอยเปอรเซนต์อยู่ในเราเนี่อย่าไปม้ไปพูดที่เจ้าพูดเจ้าที่แสดงมาไม่ใช่เพื่อพระองค์เพื่อเรามีสิติ เวลามันหลงมีสติไม่หลงเวลามันทุกมีสติไม่ทุกสมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้เห็นกันทุกคนทุกเรื่องเก่าทุกเด้วทุกอีกทั้งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกพ้นเรื่องนี้ก็ยังไปให้มันทุกอีกคิดเรื่องที่มันเคยทุกคิดี่ไใดก็เป็นทุกทุกที อยู่คนละยอดทางคนละสิบยอก็เอามาทุกได้เรื่องเก่ายําคิดเรื่องเก่าเป็นทุกยําคิดเรื่องเก่าเป็นสุขไม่รู้จักสมาทิฏฐิแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ตื่นสมมาฉังปะปะําออกน้ํารีออกไม่เป็น หนีจากมันไม่เป็นมันทำได้อยู่ส ม, มาวาจาเมื่อบันคิดแล้วได้ก็พูดออกไปทางวาจาฟางกายไ อ, อ้สมมากรรมตาเกิดขึ้นกายวาจาก็ถูกไปหมดแล้วประเด็นสมมา ว่าอาชีวาอาชีวก็มีไปหมดเลยส ม, ม, า, ม า, ยามาญญัติโมก็มีความเพียรไปเลยแบบนี้ส ม, มาสติก็มีสติไปเลยส ม, มาสมาธิไปเป็นทางไปดีดีนะถ้าเอาตามคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติเราก็เห็นทางไปแบบนี้เห็นทางไปอย่างนี้เห็นหลงได้รู้เนี่ย พอได้รู้ก็ผู้ใจชอบละความหลงได้แล้วเป็นความรู้ได้แล้วเป็นทางอยู่ในมักมักก็คือสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญาที่เกิดก็มีสติเป็นที่เกิดมีสติเป็นสินจิตใจจิกาจึงเกิดขึ้นมา รวมอยูแล้วก็คือไม่รวมรู้สึกตัวจนสัมมาสมาธิไปทำฌานตาุติยฌานตติยฌานและอยู่ฌานอย่างยิ่งฌานอย่างยิ่งคือสติอย่างยิ่งนี่แหละเดาไปเรียบว่ามันจะไปนอกจากสตินี้ไปจนถึงที่สุด แล้วฉ un, e oh, ุกเสินได้มีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่นอนจากสติที่ต้นต้นท่ากลางที่สุดเบื้องต้นก็สติภายในกายอยู่เป็นประจำท่ากลาก็มีสติกาเป็นสีได้อาศัยขึ้นมาถึงเป็นสมาธิก็เป็นเป็นสัญญาสีละว่าสัญญาสีชีวิตสัญญาสี ชีวิตไม่ต้องทำไรแล้วสมมตสมาธิก็คือสติถึงฌานปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานฌานคือมันก้าไปก้าไปร่วงไปกำลังกำลังผ่านไปผ่านไปกำลังผ่านไปผ่านไปไมีกำลังมากก็ผ่านได้มากแต่มากง่ายงายขึ้นวันใดสิบชั้นยี่สบชั้นขึ้นได้เว้ยเวนมีกำลัง กำลังสติพอมีกําลังน้อยค่อยก้าวขึ้นก้าวขึ้นพักก้าวขึ้นพักก้าวขึ้นพักสติแจกแล้ามีสติแล้วอยู่ถึงสติถึงสติสติ่ง ท, ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนถึงสติหมดเลยจุดหมายปลายทางของชีวิตเลยสุดยอดสติก็แล้วอยู่เฉยๆไม่เป็นอะไรก็หมดเลยมีสติแล้วแล้วอยู่ ด้วยนั่นจึาะทิ้งสติให้เปนในกายในใจมันก็มีกายอยู่จริงนี่มีใจอยู่นี่สิ่งที่เกิดกับปกายเกับใจก็มีอยู่จริงอะไรก็ตามไม่ต้องไปแก้ด้วยวิธีโน้นทีนี้มีวิชาะกะวรมฐานกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกสติมันจะงกงามวิธีฝึกหัดทําได้มีให้เราฝึกหัดอยู่เกิดกับกายกับใจเรานี้มีให้เราฝึกหัดอยู่ทุกโอกาสทุกลมหายใจ ที่ไม่ใช่สติเป็นคู่สุขคู่สุขของสติไม่ใช่ว่าไม่เคยส่องไม่เคยฝึกมันก็ไม่ชานานไม่เป็นแช่มแช่มเรื่องนี้ไม่ใช่เช่มนักเวยดักกีฬากีฬานักเขาเป็นแช่มนะเพราะเขาฝึกหัดเขาจึงลงสนามและ ช, ชนะ เราก็มาฝึกกันนี่มีเพื่อนมีมิตรมีสถานที่เอาฝึกกันลงไปเท่าใครตัวมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่พี่ถูกยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างถ้าไม่เล่าให้ฟังก็ไม่รู้ไม่มียานจะไปอย่างเห็นกันยานคืออย่างลู่ตัวเองอย่างเดียว ยานคือรู้ว่ามันเป็นอะไรรู้จริงๆอะไรคืออะไรเกิดกับเราเนี่ยทะลุดทะลวงได้ทุกเรื่องไดเป็นยานของจงก็ข้ามได้ถ้าเป็นยานอย่างรูปก็รูปได้ไม่มีที่รับที่ปิดที่บงังสิ่งที่มาเกิดกับกายกระใจเราเนี่ไม่มีที่บงังจริงๆยานอย่างรู้จริงๆ ปัญญาญาณวิปัสนาญาณล่วงพ้นภาวะเก่าได้ทุกเรื่องเราจะเอาอย่างไงชีวิตของเราเนี่ยจะไม่ข้ามอะไรได้บ้างหรืออะไรที่มา น, น่ายกมือไหว้ตัวเองได้บ้างให้มียกมือไหว้ตัวเองบ้างได้บ้างให้ให้เฉลิสน คุณพ่อคุณแม่บ้างแต่นัาที่เราเป็นลูกของทา่านให้เราเกิดมาเพื่อทําการนี้ให้ลูกได้มาทําอย่างนี้ก้มค่าคิดในหัวใจเลือดเลือเราจะเป็นอย่างไรชีวิตเราจะเป็นคนเช่ไหจะให้หวั่นไหวตลอดเวลาไม่ปกติหรือชีวิตต้องปกติตลอดเวลาไม่ได้หลือ ปกติแล้วอะไรก็ปกติหมดร้อนก็ปกติหนาวก็ปกติหิวก็ปกติให้เป็นสุขปทุกข์อย่างไรร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์เนาะปกติได้ไหมมันร้อนเป็นรูปนี่มันหนาวเป็นมันหิวเป็นมันเมื่อยเป็นปกติมันคุมอยู่ปกติเนี่ย ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ต้องปกติร้อนก็ปกติหนาวก็ปกติหิวก็ปกติอินก็ปกติง่นอนก็ปกติหลับก็ปกติแต่ผิดปกติคือไม่รู้จากหลับจากนอนไม่รู้จักเหนื่อยเวลายุงกัดไม่เก็บไม่ปกติแล้วตากแดดไม่รู้จากร้อนไม่ปกติแล้วตากฝนไม่รู้จากหนาวไม่ปกติแล้ว เอามาเป็นสุขเทุกข์ทำไมเมื่อแต่มันเกิดกับใจที่มันมีอะไรก็จะมาเป็นสุขเป็นทุกข์มีเกเลตัณหาทําไมปกติเนี่ยมันที่ปรุงแต่งไม่ใช่ปกติผิดปกติไปแล้วอยู่ดีๆมันจะพุ่งไปเนผิดปกติไปแล้ว ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ที่จะมีค่านะโอ้บางคนกใกล้จะหมดระล้นะําเวลาที่เรากําหนดเนี่ยอย่าทอ่อถอยนะเพื่อนบางคนก็ล่าหลังบางคนก็ป่ายนะั้จะเย็นหลายรูปนะบางรูปมาได้พูดได้ฟังตื่นความหลงโอ้โธ โทษโทษโทษโทษโทษความหลงอย่านี้ก็มีแล้วโอนจากสิ่งที่มันเป็นมากังวลบางคนก็ยังคิดอยู่ความคิดปะให้นอนไม่หลับก็ยังมีความคิดนี่แหละให้เป็นเหตุให้นอนไม่หลับบ้าไม่มีความคิดแต่นอนหลับที่แท้ไม่รู้จากว่าตัวเองคิดมันนอนเนืองที่แท้มันคิด่ะ อ่าหลับไม่มหลับก็กังบนนะนอนไม่หลับไม่เป็นไรแต่ว่าคิดว่านอนไม่หลับอันตัวรายถ้านอนไม่หลับไม่เป็นไรหรอกอย่าไปเดือดรอนถ้านอนไม่หลับเราคิดว่าตัวเองนอนไม่หลับเราอันนั้นนะอันตรายเกิดโครคแทรกซ้อนขึ้นมาเป็นโรคประสาทกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่กินได้ นอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรนี่คือปกติอัตตนชอนตนนี่นะสมควรเจวเวลาออกราบพระพร้อมกัน